เธอกับฉันไม่เหลืออะไรกันที่ต่อไปกลับมาหาฉันทำไมตอนเธอทิ้งฉันไปเธอบอกฉันว่า Die. ไปไหนก็ไปไปกับใครก็ไปเธอกับฉันไม่เหลืออะไรกันติดต่อไปกลับมาหาฉันทำไม ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า